รวมสิกขาบทที่มีในสัปานกาวัคสปานกกวัคมีสิสิกขาบทคือ 1. สันจิตจะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจฆ่าสัตว์มีชีวิต 2. สังปานักสิกขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต 3. อุโ ก, โกตนาสิกขาบทว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณขึ้นมาพิจารณาใหม่ 4. ทุตลลสิกขาบท ว่าด้วยการปกปิดอบับดชั่วยาบ 5. อุณวีสติวัติศาสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุยืนกว่า20ปี 6. เถรยะสัทธาสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร 7. สังวิธานะสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม 8. อริทธาสิกขาบทว่าด้วยพระ อ, อริธะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค 9. โอคิตะสัมโพคัสิขาบทว่าด้วยการครบหาภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรม 10. กันตากาสิขาบทว่าด้วยสมรเทศชื่อกันตากาถูกสงนาสนะ